โอนมทแจกนเงวัโอนเงินนเอเงอมเงิอนงินโอนเงนอเออนเนอนเโอนงินโอนเโองโอนงอเโอนงอนออมเราออนออเอมเงออ บอกบอกได้ได้ความหมายดีมากเลยเนาะครับคุณ อ, อมเราออม<ะ>คุณ อ, อมเราอมใช่ไหมครับไม่ใช่คุณ อ, อมเราอมก็มีอันหนึ่งอันนี้สองคืออมคู่บุญครับวันนี้มีแจกรางวัลพนัก ง, งานในบ้านเต็มเลยเมื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้นะคุณพ่อคนเอกลัน นนคุณละวันวนิดเนี่ยพจนพูดถึงว่าเด็กก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในการดูแลของพ่อของแม่พ่อแม่มีปัญญาสอนไหมเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องนิสัยเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมเรื่องสติเรื่องปัญญาก่อนเข้าโรงเรียนยงมีการพูดถึงเมื่อกี้ให้คนพูดเราก็เลยทำปฏิกิริอาไว้นี่ แต่ น, นีมันเป็นรัฐธรรมนูญนะ น, นี่มาตรา54ในรัฐธรรมนูมาตรา54เนี่ยสอนเด็กก่อนเข้าโรงเรียนมีมีระบุไว้ในพระรัฐธรรมนูญด้ว ย, วยท่านท่านบอกเมื่อกี้เราก็เลยจดให้เรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องนิสัยเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมเรื่องสติเรื่องธรรัญญาเมื่กีท่านกำลันั่งตรงนี้เราก็เลยกระโจนไปสอนก่าคนเราทุกคนเนะี่ะ <c oughs> มันได้เปรียบเสียเปรียบการการกับเรื่องสติเรื่องปัญญานี่เองเรื่องสติเรื่องปัญญามันคู่กันกับบุญเก่าวกิริมาด้วยเพราอะไรเพรามันติดความฉลาดมามันติดความโง่ามาในใจของเราอันเกิดมาจากบุญจากกรรมที่มันเสสันต์ปั้นแต่ให้เราให้เรามาครับมาเอามาได้ บุญเราดีเราดูดดที่บางคนเขาเรียนจบบัคเตอร์เขาเรียนง่ายๆเรียนสบายๆเลยบางคนไปเรียนแค่วิชาชีพเรียนไม่จบร้มลุกคลานออกมาเลยเนี่ยบางคน<ม>คืออะไรไม่ได้มีบุญไม่มีบุญมีอุคุคนหนึงเขาเป็นอุปพยาบาลทีาเราเราฟังเขาพูดถึงว่าโอ้ลักสุขของหมอเนี่ยผมเนี่ย ผมจบบริพยาบาลผมออกมาผมล้มลุกุกคลานออกมาเลยนะหมอเนี่ถึงจะมีงานผมเรียนผมก็มไม่มีปัญญาเรียนเขาให้ฟังเลยนะคือบุญของคนเรามาันจํากัดเรื่องอนี้เราที่บุญไม่ได้เพราะบุญนี่เป็นต้นทุนเดิมของพวกเราด้วยกันทุกคนเรื่องบุญเราไปสนใจในเรื่องของชีวิตเราไม่ได้สนใจเรื่องขอ ง, ของขจิตใจ เราจะเหินหางจากบุญกับคำว่าบุญเนี่ยเรื่องของร่างกายแท้ที่จริงร่างกาย อ, อันนี้มันรวมมันถึงว่าร่างกายของเราเกิดมายัางไง ร, ร่างกายเราจะประกอบไปด้วยความประพฤติมาจากาตอะไรอะไรเกี่ยเรื่องทางด้น ง, งด้านขร่างกายกับจิตใจกับนิสัยกับอารมณ์กับอะไรมันมันเป็นอันเดียวกันเลยแหะแต่เ่อเรามีความรู้มีความสามารถเท่านั้นเราถึงจะมานั่งแยกแยกออกได้ ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถเรา ก, ก็แยกแค่ออกมาได้พวกอ ะ, ร ะ, ระไรพวกบัญดิบพวกอะไรต่ออะไรท่านมองมองเห็นแค่เดียวเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นเรื่องเมื่ออย่างพุทธเจา้ทาท่านสอนธรรมะท่านสอนแบบจำแนกจำแนกจำจำแนกแยกแยกแเป็นสัตว์เป็นส่วนลองดูแต่อารมณ์ภายในใจของเรานเนี่ยล ะ, ละเอียดขนาดพุทธเจา้าทรงบรญยายออกมาเป็นคำพูดให้เราได้เรียนได้ศึกษาถามได้หมดเช่นอย่างธรรมะวิตกเนี่ย มันเป็นกิริยาที่จิตของเราวิจารเนี่ยมันเป็นกิริยาที่จิตของเราคุณธเจ้ที่ยกออกมาสอนได้หมดตัณหาเนี่ยกิริยาอาการที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยตัณหาสัญญาเนี้ความจําได้หมายรู้สังเจตนาความคิดถึงอะไรพุทธเจ้าเอามาบรรยัตหมดเลยให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษากาม ให้ ป, ประพฤติปฏิบัติตามแต่มีข้อเท็จจริงอยู่ในนี้ถ้ามีปัญญารู้ทั่วถึงเราจะรู้รายละเอียดที่มันอยู่ในนี้เนี่ยอนี้ทางหลักศาสนาท่านพูดยังไงอ น, นี้ทางกฎหมายบ้านเมืองท่านเอามา ก, ก็เป็นเป็นกรอบให้พวกเราได้อยู ไ, ได้ฟอนได้ถึงตามประพฤติตามปฏิบัติตามแต่มีใครสักกี่คนที่จะเอาเรื่องเหล่านี้ไปสอนไปสอนกันหาแต่เวลาเช่นอย่างให้เรียนรู้สองสองเดือนเนี่ยบมันจะ ป, ประร้อนไปฝัง พอเราเล่าลูกมาบานลูกอ่อนนี้ให้เลี้ยงูกด้วยนมสักสองเดือนได้แค่หนึ่งเดือนก็กล่อยละเอานมปลอมเอานมปูเอานมอะไรจะได้ให้ลูกกินแล้วแหละต้องรีบไปทํางานต้องไปฝักใฝ่หาเงินหาโน่นหานี่หาอะไรตัวอะไรไปเนี่แต่ถ้าเลี้ยงได้สมบูรณ์แบบสองเดือนเลี้ยงลูกดิวนขนาดนี้ก็ถือว่าลูกสมบูรณ์พอสมควร เร่นนความเหมือนเหตุปัจจัยทุกอย่างมันพันกันไปหมด <c oughs> รวมมาถึงคนมีบุญ <c oughs> เขาก็ไปเกิดในที่ดี <c oughs> ถ้าเราจะว่าไปแล้วนะตามอหนาจของบุญของกรรมคนไม่มีบุญก็ไปเกิดในที่ไม่ดีอะถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนสมุอนว่าชีวิตจิตใจของเราถ้าเราจะเปลี่ยนสมืนต้นพืชอันนี้ก็ต้นพืช น, นี่ก็ต้นพืช น, นี่ก็ต้นพืช น, นี่ก็ต้นพืชพืชอันนี้ ควรจะไปตกอยู่ตรงไหนก็ตกอยู่ตรงดินโคกหรือดินดอนหรือดินทุ่งหรือดินนาหรือดินมีน้ามีอากาศชุ่มชื้นหรือไปตกในที่มีแต่หินแทนหิ น, ห, นหินกลรวด <c oughs> อ่าคือเหตุปัจจัยมั น, ม, นมันแบ่งสรรมาไม่เท่ากันแต่เหตุปัจจัยข้างนอกนี่เป็นีกเรื่องนึงแต่เหตุปัจจัยข้างในที่มันสรงรมานีอันนี้มันอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญ มันเป็นเรื่องของบุญจริงๆเหมือนอย่างเราไปเกิดในท้องแม่เนรามีบุญพอเราถึงจะมาเกิดในท้องแม่ของเราถ้าเราบุญไม่พอเราไม่ได้มาเกิดในท้องของมนุษย์หรอกไปเกิดในท้องของควายของวัวของช้างก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแหละเป็นสัตว์ที่ใหญ่ในท้องนในท้องแมวในท้องหนูในท้องกระรอกกระแตเกิดจากไข่ของนก ข อ, bert, ของจาของอะไรสนาพัและจะไดจะไปเกิดเพราะบุญเราไม่ถึงเรื่องของบุญมันเป็นเร่องที่มาเป็นเหตุปัจจัยจากสรรใหม่ไม่ได้มันอย่างที่เราพูดเดี๋ยนี้เป็อย่างการที่เรามาเกี know, ่ยวข้องกับว่าไม่ได้เลี้ยงลูกครบสองเดือนหรือเกิดมามีนู่นขานี่มีนี่ขานั้นมีอะไรแต่อะไรเดี๋ยนี้เราพอจะวิ่งเต้นทําเพื่อให้มันได้พอได้อยู่ได้กินได้อะไรแต่ไรได้แต่กรรมที่มันจัดสรรมาเราเลือกเอาไม่ได้เลย เราตั้งเจตจานงเอาไม่ได้ถ้าไม่มีบ no ุญเก่าไม่มีของเก่าวไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพุทธิยถาท่านทรงท่นทรงท่นทรจับเอวิชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารอย่างนี้ว่าพวกเราแต่ละคนแต่ละคนคือกองสังขารหนึ่งคนก็หนึ่งกองสองคนก็สองกองนะครับสังขารย่อ่ๆมารวมเป็นสังขารก้อนใหญ่และถ้าสังขารเรานีเกิดเราเกิดในท้องแม่เราเกิดในท้องแม่ก็อาศัยสังขารจากพ่อสังขาร่ากแม่ ซึ่งประกอบกันมาแล้วไปเกิดในท้องแม่หนึเราพูดถึงร่างกายนะที่ไปที่มาของร่างกายของเราเรารู้ที่ไปที่มาของร่างกายขณะบัดดีขั้นมีระดับหนึ่งร่างกายของเราทุกคนไปบุบในท้องแม่แต่ไม่ได้ตามใจชอบนะหากได้ตามบุญตามกรรมถ้ารับุญเราดีก็เกิดในท้องของพ่อของแม่ที่เป็นปราบเป็นบัณฑิตมีทรัพย์ ชิ้นเงินทองมีความสะดวกสบายหลไรทุกอย่างพกะบุญเราดีแต่ถ้าบุญเราไม่ดีเกิดจะสักจะ่าเกิดนอกจากนั้นแล้วก็กรรมให้พอเกิดมาแล้วก็วิกลวิการให้เป็นมนุษย์บ้าไบาวิกลจริตเพราะกรรมมันพับแต่ว่ามีคุณสมบัติแค่ได้มาบัตรเป็นมนุษย์แต่อย่างอื่นไม่สมประกอบเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงว่าเราพูดถึงสติปัญญาภายในใจของเรารวมมาถึงอัตภาพร่างกายด้วย พราจะจะเปรียกเหมือนผู้วิจารณรงเปรียบเทียบเหมือนบัวสีเหลาบัวบัวบัวหนึ่งถือว่าเป็นถ้าเป็นคนประเภทว่าปรา บ, บรัญญิตหมายว่าจิตใจที่ฉลาดเป็นผู้มีปัญญามากเหมืนอุคติกันอยู่เป็นบัวที่บ่อยขพน้ํำพร้อมที่จะบานบัวอีกย่อมใย่่ ย, ย่อมลงมาก็เสมือนน้ำบัวอีกอันหนึ่ก็คือการลางน้ําบัวอีกอันนึงคื อ, ก ล, อ, ก, อนน ก, กลางแพงออกมาจากที่ต้นที่โคลน ระดับสติปัญญาของคนเราแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราจะเทียบก็สี่ระดับแต่น้องตาท่านเทพท่านเทพเอามาเปลี่ยนในหัวใจของเราดวงเดียวเนี่ยหัวใจของเราดวงเดียวพลอขึ้นมาพักสมมุติว่าเหมือนกับบัวที่โผล่ขึ้นมาจากที่ตนที่โผลเนี่ยนะฮะในแง่ของการสอนเราก็บอกว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่ทำตัวให้เหมือนดอก บ, บัวดอก บ, บัวมันหามีเหตุมีปัจจัยปรุงเข้ามามันจะยืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยแต่มนมุษย์เราเราจะต้องสร้างหรือสร้างัใจเราดีอยู่เฉยเฉยเน่า แต่อันนั้นมันธรรมชาติมันหนุนเข้ามันหนุนเข้ามันหนุนเข้ามันเรื่อยๆแต่ท่านบอกว่ามันจะเป็นทุกผีทูกคนอยู่มันพร้อทนนมออ <c oughs> ที่จะเน่ามันพร้อมที่จะขึ้นที่เราเรียกว่าปัจจักปรมะท่ประม ะ, ระมถ้าเป็นประเภทของสติของปัญญาก็คือสอนไม่เข้าใจสอนไม่รู้เรื่องอธิบายแล้วอธิบายอีกวันแล้ววันเล่าครั้แล้วครั้งเล่าอธิบายให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือไม่สนใจและไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่อง แต่ที่จะโผล่พยายามสิดตัวเองขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไม่ได้อันนี้เราเทียบเราเพียงแต่เทียบให้ทราบให้ทราบระดับเท่านั้นเองนะไม่เหมือนต้นบัวต้นบัวมันธรรมชาติส่งของมันมาเองแต่มนุษย์เราถ้าไม่พัฒนาจะไม่ไปหน้ามาหลังถึงจะพัฒนามาก็พัฒนาเหมือนกับถ้าว่าเป็นสัญชาติญาณเหมือนเหมือนกับพืชที่มันขึ้นมาโดยลำพังเข้ามาเองไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีปุ๋ยหรือมีอะไรที่จะช่วยให้มันพุดโผล่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเราพยายามจิดตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็จะขึ้นมาระดับหนึ่งได้กลางกลางน้ำพัฒนาขึ้นมาอีกได้เสมอน้ําพัฒนามาเรื่อยๆปลอขึ้นคนจากน้ํา mm. น, นี่เราพูดถึงทั้งระดับสติทั้งระดับปัญญาทั้งระดับของทางกายร่างกายของเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมถ้าเป็นระดับตา่ตางๆมากเกิดคือมันอย่างแต่ว่าสักเท่าไหร่เป็นคนเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าออที่สติบ้างอะไรบ้างที่เขาเรียกกันน่ย พอเชื่สติบางอย่างเนี่ยใช่อะไรไม่ได้เลยนะใช่อะไรไม่ได้เลยอยู่ในการควบคุมดูแลของพ่อเพราเนี่ย ต, ตลอดบางคนก็พอจะไปสอนนู่นบ้างสอนนี้อะไรบ้างบางคนก็สอนขึ้นไปแล้วมันจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นมันมันหลายระดับก็คือบึงก็คือกรรมที่มันมานั่นเองมันทําให้เราไม่ไม่มีความผูด้ดอนสมบูรณ์เรามาพูดถึงระดับของการตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติมีศีลมีธรรมบางคนก็มีศีนแค่ข้อเดียว บางคนก็มีทุกข้อแต่ด่านทุกข้อเงี้ยบางคนไม่มีไม่มีทั้งข้อเลยมีหนึ่งข้อด่างอเอยเงี้ยเราเทียบ ม, มาที่หน้าจิตใจของเราเราเทียบมาเกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องธรรมมันไปจากความประพฤติของเราทั้งหมดเพราะเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของกรรมกรรมมันเป็นเรื่องที่เราทําเอาเองแล้วกรรมมันเป็นผลตกผึกมากรรมมันจะเป็นเรื่องของการจัดสรรให้กับตัวเราเอง มีเรื่องของกรรมเราพวกเราอยู่ด้วยกรรมเกิดมาด้วยกรรมแล้วจะเราจะอยู่ด้วยกรรมแล้วก็เราก็จะไปด้วยกรรมอาจจะว่าร่างกายเราทราบแล้วว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่แต่พ่อแม่น่ะเกิดมาได้ยังไงพ่อแม่ท่านก็เกิดมาจากพ่อจากแม่ของท่านที น, นี้พ่อกับแม่ท่านรวมกันเจริญพันธุ์เจริญพันธุ์แล้วก็ทําให้เกิดการรวมธาติกัน ปฏิชนที่ในทอ้องแม่เกิดการไม่อำนาจของอะไรสมุทยัยปัญหาตัญหาในใจของพ่อเนี่ัญหาในใจของแม่เราพู้นี้เราก็ย้อนมาที่ตัวเราตัญหามัญยินที่ใจของเราตัญหาคือความอยากความวิ่งวนความเสอยเที ย, ทยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปอยู่บ้านในท้องแม่ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องการเป็นการไปการมาที่มาที่ไปของอัตภาพร่างกายการสืบสรร พ, พันธุ์ของมนุษย์ของสัตว์ ของพืชของอะไรอะไรเหมือนกันหมดจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าการการที่เราการที่พ่อแม่ทําให้ธาตุดินน้ําลงไปของพ่อแม่ไปประกอบภายในท้องอแม่ด้วยอําหนังของต่างหาในใจของพ่อของแม่อยู่เฉยๆจะไปประกอบไม่ได้มีแต่พอ่อเกิดไมได่มีแต่แม่กเกิดไม่ได้ต้องอาศัยทั้งพอ่อทั้งแม่ประกอบภายในท้องอแม่อย่างนระดับรู้อย่างนี้ไว้ถ้ารเรามาพิจารณาในแง่คำมัธยฐานจะได้ประโยชน์มากอื แต่ว่าเป็นื่อไปประกอบมาแล้วเป็นกองสังขารเป็นกองสังขารกองสังขารนี่จะไม่อยู่เท่าเดิมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเร่ยๆไปเรื่อยๆเป็นน้ําใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำแดงเป็นน้ําเลือดเป็นคข้นเลือดเป็นคข้นเนื้อสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ี่จนเจเดือนแปดเดือนเก้าเดือนครบอวัยวะสังขารแล้วครอบมาแต่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไเรื่อ วัตถุดิบที่เอาไปพัฒนาก็ไม่ไม่ใช่อะไรอื่นไกลที่ไหนเลือดเนื้อของแม่เราเห็นว่าเราจะมีสายรัสายสะดือดูเลือดจากเลือดเนื้อจากแม่เข้าไปเลี้ยงนี่คือที่ไปที่มาของกายเราทราบเรือ่องนี้จะทําให้รู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรามาพูดถึงความเป็นอยู่เพื่อนๆธรรมดามีมารยาทมีความประพฤติมีความสะอาดมีความอ่อนน้อมถ่อมตอนมีอะไรแต่ไรสารัดซึ่งเราน้อมมาใส่เกี่ยวกับเรื่องของธรรม อันนี้ท่นพูดถึงว่าดูแลร่างกายยังไงดูแลร่างกายทำอะไรร่างกายสมบูรณ์มาแล้วจะรักษาดูแลสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ถ้าต้ดูแลรักษาไม่ดีก็เราไปให้เจ็บเดือดเดียนที่ท่าพูดถึงสุขภาพาร่างกาย <c oughs> <c oughs> เ, เกิดมาด้วยอำนาจของต่างหากใจของเราสอบสแสวงหาที่เกิดแท้ที่จริงพวกเราทุกคนเป็นสัมภเวสีว่าสัมภเวสีแปลว่าผู้สแสวงหาที่เกิด สัมภเวสีผู้หาที่เกิดพวกเราหาที่เกิดคืออย่างนี้พระชาติที่จะต้องไปเกิดแต่ในสัมภเวสีอีกในอีกในหนึ่งท่านหมายถึงวิญญาณที่แร่ร่อนหากินไม่มีอยู่ไม่มีกินตายไปแล้วไม่มีบุญบุญไม่พอจะเป็นสัมภเวสีสแสลงจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปยังไม่ได้จะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นมนุษย์จะไปเป็นอะไรก็ไ ป, ปอไไปย่างไม่ได้ ร่อนไปร่นมาร่อนมาร่อนไปเขาเรียกว่าพวกสัมภเวษีอ น, นันจะท่านหมายอีกอันหนึ่งแต่จะว่าจะว่าสัมภเวษีที่ถูกต้องที่สุดคือพวกเรายังมีพบอย่างมีชาติที่เขาเรียกว่าสัมภเวสีนี่เป็นที่ไปที่มาของร่างกายร่างกายไม่เคยอยู่เท่าเดิมและร่างกายนี้จะต้องถูกวัตถุหีบเข้าไปแทนที่เพราะอัากาศมเสื่อมไปมันสิ้นไปมันต้อง ส, อสละหาของใหม่เข้าไปเพิ่มเติมคือนอย่างเรา เราใส่อาหารเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่สชั่วโมงสามชัโมงี่ชั่วโมงมันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะย่อยสลายไปในขณะที่มันย่อยสลายมันก็มีผลเพิ่มขึ้นมาหนึงอิ่ม2ได้กําลังวางชาสได้เนื้อได้หนังได้ความแข็งแรงได้อะไรก็ไดขึ้นมามันจะไปเถื่อนไปปัจจัยส่งต่อกันเป็นช่วงเป็นช่วงมันมีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้มี่คือความเป็นไปของร่างกายผู้จัที่จะทรงเรียกแบบนี้แหละทรงเรียกว่าอันนี helmet, he two, one, two, one. Do, ้คือทุกข์ ความเมื่ออยู่ท่าเดิมจะมีความสุขเจะสนับเปลี่ยนเป็นเป็นทุกข์จะทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุขจากสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์จากเดินสะดวกสบายปลายเป็นปวดนั้นปวดนี้ขัดมั้นขัดนี้บางคนเป็นโรคนู้เป็นโรคนี้บางคนดิ้หัวใจรั่วบางคนรั่วหัวใจบางคนเส้นเลือดอุดตันอะไรแต่กลาไรตายไปง่ายๆนี่คือความมัคงที่มันทําให้เราเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างนี่คือความเป็นไปของร่างกายเรามีตันหาเราก็ไปจับจอง ไปจับจองหากตามบุญตามกรรมของใครของเราเราพูดถึงบุญกรรมระหว่างสมมุติเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราอยากคิดว่าคนที่มีบุญเท่ากับเราเท่านั้นที่จะมาเกิดกับเราบางทีคนที่เป็นเวรเป็นภัยมาเกิดกับเราเขามีเพราะมันมีเวรมีภัยต่อกันอย่าว่ามีบุญมีกรรมเท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนเกิดมาแล้วทะเลาะเบาะแว้งกันถึงกับฆ่าแกงกันพ่อแม่กับลูกถึงก็ฆ่าแกงกันก็มี นี่มันกินไม่แน่นอนเพราะความเป็นไปของตัญหาในหัวใจของเราเนี่เราพูดอด้ยาเรากล่าเคนไยะกปั ญ, ญาหาก็คือความเครียดแค้นให้เกิดการนี่มันก็เกิดมาก็จะแก้แค้นกันพวกจะล้างแค้นกันเราเราเคยเล่าให้ฟังเรื่องลุงตานจางเวลานะี่ะเคยได้ยินไลุงตานจางเวลานะ่ะลุงตานกับเพื่อนสมัยเป็นหนุ่มนั่งเรือข้ามฟากตอนข้ามก็มีการกินเลี้ยงอยู่ฝั่งโน้น นั่งนั่งเรือไปกับเพื่อนไปก็ไปไ ป, ไปกินเลี้ยงนะพี่เมาเล่ามาแต่ลุงตานไม่ค่อยเมาแต่เพื่อนมเมาหนักพอนั่งเรือข้ามฟ้ามาข้ามฟ้าเจ้าพญานะพอข้ามข้ามฟ้ามาโดยเหตุที่เพื่อนเมาลุงตานั้พยายามทําให้เรือมันโครล ง, งไปโคลงมาโคลงไปโคลงมาลุงตานึกใจะจัด ก, การเพื่อนเอาตัวเองไปกระแทกเพื่อนเพื่อนเราเสียหลักหลงน้ํา ลุงตาลก็ภายเรือขึ้นขึ้นบกเสยเลยคนเมาจะเปเหลืออะไรจมตายลุงตามลุกตาลุงตาลพอลุงตามมีครอบครัวปะลุงตามมีลูกลูกคนแรกของลุงตาลนี่เหมือนกับอะไรมาเกิดหน้าตาเหมือนไม่เป็นลู้ไม่เป็นคนเลยอ่าไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยหลังจากลุงตามมีลูกมานี่ยความรู้สึกของลุงตาลเห็นลูกปั๊ี อมันเหมือนหน้าเพื่อนผมเหมือนหน้าเพื่อนแล้วก็ดูดูเหมือนเพื่อนดูเหมือนโรมันยิ้มเสยเยอะเยอยอะไรต่ออะไรเราเนี่ยกำมันบันดาลกำมันบันดาลแล้วก็ยิ่งโตขึ้นมายิ่งโตขึ้นมาใบพูดไม่พูดไม่ออกพูดไม่เป็นพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาเท่าไหร่ก็รู้นะกี่เดือนหนึ่งหนึ่งปีถึงไหมวันแรกเดินหากเดินเตดปากได้หากเดินเตดปากได้ วันนั้นเป็นวันนักขัดตระเรือะไรอย่างได้ย่งหนึ่งเหมือนกันนะอะชาวบ้านเขาก็ไปเที่ยวในที่ที่อีกหนึ่งเข้าไปเกหมดเลยแต่บ้านหลังนั้นแม่เขาก็อยู่แล้วก็ไอ้ลูกเขาก็อยู่แล้วก็ลุงต่างก็อยู่นอนกนละมุ้งนอนกลมุ้งลุงต่างก็นอนมุ้งหนึ่งต่างาและไอ้ใบก็ใบคนนั้นก็นอนนอ น, นอนกับแม่เขาทีนี้ลุตงตานอนเคลิม้มใบไอ้ใบเนี่ลูกนะลูกใบ แต่ก่อนก็ใช้ตะเกียงมันลุกถือมันลุกเดินไปนปะเพ ป, ปะเทตะเกียงมานะเทือตะเกียงตะเกียน้ำมันนะเทตะเกียงน้ำมันเดินมาลุงการลุงการเห็นอยู่ลุกมาด่าอะไรก็ได้ช่วยตัวเองเหมือ น, น, นพีอ่ำเพราะนเน่เหมือนถูกพีอ่ำมาใกล้มั น, นมก็นโยนโครมใส่ไม้คลอกดําเกือบไหม้หมดทั้งบ้านลุงการดําเป็นเป็น ต, อนต่อตะโกเกือบตายแลราะั้นเนี่ยทีนีแม่แม่เขาก็เลย คิดวลุงตาเนี่ยตายเมียคีดว่าลุงต า, นต า, น, า, งตานตายเอาไปทิ้งที่วัดเอาไปทิงที่วัดไปทิ้งที่วัดมีคนวัดมีพระมีอะไรเห็นก็เอาลุงตาไปพยาบาลไปนู่นไปนี่ไปอลุงตานก็เลยดีขึ้นมาดีขึ้นมาแต่ร่างกายมันไม่เป็นผู้เป็นคนเลยถูกถู ก, ถกรอยไฟไหม้ครอกและไอ้ใบคนนี้นะนะหลังจากเขาได้ทําเสร็จแล้วนะเ้าป่วยวันป่วยขึ้นไม่กี่วันมันก็ตายตาย เพราะความรู้สึกของลุงตาลบอกว่าต้งแต่มันเริ่มรู้มามันพูดไม่เป็นอะไรไม่เปลีอยนเพื่อนของเราเห็นว่าเป็นเพื่อนนะมาเกิดเกิดเพื่ อ, อ, อที่จะแก้แค้นนีน่ยลุงตาลก็ลุงตาลลุงตจารหอตายเลยบีขอมีวันหนึ่งเมียไม่อยู่บีบคอแยกตายบีบคอแยกตายเพราะเมียพอเมียมาเห็นเมียเลยมาตอบว่าเห็นมันไม่พูดเห็นมันใบมันบีบคอมันพูดแตนที่จริงจะเอาหมันตายเห็นไหมเราถึงไม่กรรม นี่คือลูกที่มีกรรมมาเกิดเป็นข้ออุปมาให้พวกเราไดยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเราไม่มีลูกไม่ีหลานมีอะไรเลยให้อยู่ในการดูแลของเราให้ใ ห, ให้ให้ดีที่สุดที่บางคนมีนิสัยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเราต้องบารังให้ดีที่สุดที่เราศึกษาอัตภาพร่างกายของเราด้วยของลูกด้วยของอะไรต่ออะไรในโลกด้วยที่มันเข้ากับหลักธรรมเนี่ยเราร้รู้เรื่องของร่างกายแล้ว้องรู้เรื่องของจิตใจที่มาที่มาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นมาจากตัณหานะตัณหาในใจของท่อของแม่ตัณหาในใจพวกเราเราไปจับจองในท้องแม่แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาตามหลักของตามตามหลักการเกิดของมนุษย์ทีนี้ท่นานน่าจิตใจเราได้มานย่งไรทานน่าจิตใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงไม่ทรงไม่ทรงบอกว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไ ง, นานงท่านทรงท่านไม่ตั้งว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏท่านน่าจิตใจเราทรงตรัสว่าอวิชชาปัจจยา อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้มันท้าทายเราคือความไม่รู้จะทําให้เราหลงผิดทําผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดยึดผิดถือผิดอะไรผิดเต็มไปหมดเหมือนอย่างที่พวกเราถือด้วยอำนาจตันหาราคาอย่างทุกวันนี้เราถ้าถือว่าเราถือผิดเข้าใจผิดสําคัญมั่นหมายผิดแล้วก็ยึดถือผิดผิดแล้วก็หอที่อยู่กองทุกกองโทษกลับมามีคืออวิชชา เราจะรู้ข้อเท็จริงต่อเมื่อเราตั้งใจภาวนาอยู่เฉพาะหน้างานเราเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพออวิชชามาครอบปั๊บพุโทโธหายแล้วใครเคยทําจะรู้อยู่ใกใจใครเคยทําจะรู้อยู่ใจใ จ, ใ จ, อใ จ, ใจพออวิชชามันครอบมาปั๊บพุโทโธหายไปแล้วนี่คืออวิชชาตราบใดที่พุโทโธเราตื่นรู้อยู่อันนี้เขาไม่เรียคอวิชชานะ เรียกวิชาวิชาแล้วว่าความความสว่างหรือความรู้ความชาติของจิตความชาตัตของผู้รู้เรียก ว, ว่าวิชาแต่ถ้าอาวิชามาครอบพักมือตึกลงหายไปหมดแล้วอ๋อคุณโทรหายหายไปไหนก็ไมร่รู้ขาดสติตาไม่ทันตาไม่รู้อวิชาพอมันสวมรอยพักมันเอาไปใช้แล้วสวมก็มันเอาไปใช้แล้ ว, ว น, วนี่นี่คืออวิชาส่วนหนึ่งเป็นเหตให้เกิดกองสังขารสังขารรูปสังข า, นนารขา น, นามก็คือ สิ่งปรุงแต่งภาในจิตของเราแล้วก็จิตของเราจิตของเราโดยเนื้อแท้ที่ที่แท้จริงของจิตของเราคือธาตุรู้กับสิ่งที่ปนเปื้อนมากับธาตุรู้คือกิเลสตัณหากิเลสตัณหาคือสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยคือสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยกิเลสตัณหาราคะอะไรอะไรต่างๆที่ทําให้เราเข้าใจผิดถือผิดสําคัญมั่นหมายผิดตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขาเรียกว่ากล่องสังขาร ยิ่งใจกับกายมาประกอบกันอีกก็ยิ่งเป็นกองสังขารใหญ่เนี่ยคือชื่อว่ากองสังขารแล้วอันนี้จังทุกขันธอนัตตายมีอยู่ในนะั้นคือไมห่หนึ่งไม่อยู่เท่าเดิมสองเปลี่ยนไปสามไปกะเกนให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้แต่ใจของเราของท่านเนี่ยชอบกระเกสงสี่นูสี่ง้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเพราะอะไรเพราะมันถูกตันหาบังคับกับมันอย่างนี้เนี่ยเนีวันหน้างาเ น, นี้ต้อง น, นี้งนทีต้อง น, นั้นที ตอนนันสิไม่ได้ไม่ได้ไมต้องถูกบางครั้งบางครั้งถูกต้องอยู่แต่ยังไม่ถูกใจเขาเอาถูกต้องตามหน้าที่เขาอยู่แต่ยังไม่ถูกใจ <c oughs> อันนี้คิดใจของคนจะเป็นงนี้เหมือนกันหมดถ้าหากเราไม่ศึกษาเรื่องเรื่องกิเลสนหัวใจของเรานี่คือความอยากในหัวใจของเรามันพยายามไปกระเกงทุกอย่างเป็นไ ป, น ป, นปนตามใจหวังของมัน ไม่แต่ร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายผู้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็คืออะไรวิอใจมันเอาผู้รู้ของเรามามันมาบังคับกาอยากแก่อยากแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากเพราะมันแก่ไปเราก็ทุกข์ไม่อยากหน้าตาเราสะอาดสะอ้านดดีเต็มตึงอย่างดีอะาผอถผอมแล้วโอ้ยสิวขึ้นแล้วโอ้ยคล้ำแล้วโอ้ยหมองแล้วอะไรนะ ทุกเป้าใจขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันอยู่ให้ถูกให้ถูกใจให้ตามใจเราเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาคือกองทุกสิ่งที่ตามมาคือกองทุกต้องการให้หยู่เท่าเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็ต้องอยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกข์ขังทั้งนิ Words. จจังเราทําให้มันหายไปมันไม่หายมันต้อหมดไปเพราะสิ่งอะไนี้มันเป็นเงาของสังขาร มีหลังฐานที่ไห น, ท, ไหนที่น่นที่นี่จะต้องมีจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องทนอยู่ไม่ได้และจะต้องเปลี่ยนไปพุทธิยาคส์ทรงปราศว่าภาวะของอนัตตาไม่มีการเอาอัตตาตัวตนไปบังคับบัญชาอะไรได้ทั้งนั้นรวมมาถึงอัตภาพร่างกายพวกเรานี่เราพูดถึงทงัทง้งทางด้านร่างกายและทางด้าน จ, จิตใจทั้งส่วนทั้งที่เป็นส่วนของศิลทั้ง ท, งที่เป็นส่วนของธรรมอันนี้มันเป็นมันเป็นหลักคําสอนที่ ถ้าให้เรามีการดูแลรักษาทังกายและให้เราเข้าใจรู้เรื่องของของทางด้านของขอ ง, ของจิตใจนิสัย อ, อรารมณ์นิสัยนิสัยยังไงที่เราจะอยู่เย็นเป็นสุขตัวเราเองก็อยู่เย็นเป็นสุขหมู่เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มก้นเดียวกันเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นไปตามระเบียบที่เราวางไว้เราเราอวดไว้เรานัดไว้เรากะเราเกณฑ์เอาไว้เราก็ทำให้เกิดไปตามนั้นเป็นไปตา ม, ตา ม, นะตามระเบียบ เราฝึกหัดให้เป็นไปตามระเบียบมันเป็นการสร้างนิสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งนิสัยมีสินี้ถ้าเราไม่เคยตั้งใจสมาทานแล้วโอกาสที่จะเราตั้งใจเวรหดเว้นตามองค์ศีนั้นท่นนนานเราก็หดเว้นได้ยากเพราะเราไม่เคยฝึกฝนอบรมถ้าเราตั้งใจฝึกฝนอบรมจนกลายเป็นจริญกายเป็นนิสัยแล้วนี่คือนิสัยที่ทําให้เราอยู่คนเดียวก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับหมูกับพวกรับสังคมไม่แต่กลุ่มเล็กไปจนถึงมกลมุกล่มใหญ่ไปจนถึงกลุ่มประเทศ หมดทั้งชาติเราก็ใจอยู่เย็นเป็นสุขหมื่อเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้คำวันนี้ใส่กับอารมณ์ก็มาด้วยกันแล้วแตสิ่งเหล่า น, นี้มันเกี่ยวข้องกับสังคมความเป็นอยู่ก็คือสังคมสังขามะสังขามะความผูกพันความเกี่ยวข้องกันการอยู่ร่วมกันทําไมเราจะอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขมันจะมีระเบียบสอนเราอยู่ทุกวันเหมือนอย่างจริยธรรมที่เราพยายามเรียนพยายามศึกษาพยายามฝึกหัดให้เป็นไปตามระเบียบของเราี่ทั้งหมด มันอยู่ภายใต้อำนาจของสติของปัญญาทั้งนั้นสติปัญญาเราจะต้องฝึกเราจะต้องฝืนสติปัญญาโดยทำดํำแท้ๆนอกจากท่านใช่ศึกษาสุตะจินตะสุตตะก็คือได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้นึกอะไรทีไรแล้วเอามานึกเอามาคิดเอามาไขกลวนตามมีสุตตะจินตะเป็นเหตุให้เกิดสติเป็นเหตุให้เกิด ป, ปัญญาแต่ปัญญาทางด้านธรรมะแท้ ท่าเอามาใส่เกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเป็นอที่จให้เกิดสติเกิดปัญญาตั้งสติปลุกจิตของตัวเองตื่นโรู้ทุกระยะทุกเวลาไม่ให้มันมืดไม่ให้มันมัวให้มันสว่างจ้าคือความรู้ทันปัจจุบันทุกขณะทุกระยะทุกเวล า, านี่คือการสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสติให้เหนียวแน่นมั่นคงปัญญาก็จะตามมา เพราะปัญญาจะเกิดขึ้นจากการที่เราตัอ้ง อ, อกตั้งใจสร้างสติสร้างปัญญาให้กับตนเองได้การสร้างสติการสร้างปัญญาเพราะฉะนั้นท่านเพงพูดเอาไว้สุตามย่ปัญญาปัญญาเกิดจากกจากจาการได้อยู่ได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้รู่ได้นี้ได้อะไระอะไรจิ้นตามยะปัญญาเอาไปนึกไปคิดไปค่อไปครวนมันล่วมไปแล้วเป็นเรื่องของสัญญาอารม์อยู่ในหัวใจเอามานึกเอามาคิดเอามาค่อยมาครวนเหมือนอย่างเรารู้ว่าโอ้โอ เราควรทำความรู้ทงความเข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนิสัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารมณ์เกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องสติเกี่ยวกับเรื่องปัญญาซึ่งเรากำลังพูดอยู่นี้มันตกเรื่องในหัวใจเราก็เอามาจินตักเอามานึกมาคิดมาใคลายมาครวนมันจะเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจท่านจึงให้มาศึกษามาสอบมาทวนเป็นเห็นได้เกิดสติเป็นเห็นได้เกิดปัญญา แต่ว่าถ้าเราตั้งสติเราตื่นยูตทุรยทุกเวลาแม้มันพลาดสายหูสายตาอันนี้เป็นปัญญาข้างในซึ่งท่านเรียกว่าวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาเป็นเหตุให้เรารู้เท่าทันกิเลที่มันจะแทะเข้ามาในหัวใจของเราเเดี๋ยวนี้เราอยู่ดีสบายๆบาสน้อยหนึ่งได้ยินหูมักเสียงมักระ๊บ ทำให้จรา ม, มุนเตี้วไม่พอใจโกรธขึ้นมาแหละอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงโกรธขึ้นมาอยู่ดีๆสมัยไม่พอใจขึ้นมาอยู่ดีๆเห็นแบบนู้นเห็นเรื่องนี้เกิดสัญญาอารมณ์ราคาตัณหาขึ้นมาอ้าวอยู่ดีๆทำไมโกรธขึ้นมาได้อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าทําความรู้ของเราให้เผลอแล้วนะตัณหามันแทรกเข้ามาอารมณ์ของสมมาอารมณ์ของวิ ป, ปัสสนาท่านให้พยายามเจริญเพื่อ รู้เพื่อเข้าใจเพื่อต่อสู้เพื่อต่อต้านกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการบั่นทอนไม่ให้อารมณ์ร้ายชั่วร้ายทั้งหลายทั้งบว น, นะมาเกิดหัวใจของเราพยายามสร้างแต่อารมณ์ดีดีอารมณ์สติทำอารมณ์ปัญญาธรรมอารมณ์สมาธิทำอารมณ์เรื่องราวที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นในหัวใจพวกเราให้เกิดแต่อารมณ์ที่มีสติอารมณ์ที่มีปัญญาเป็นเครื่องฟองธรรมะอารมณ์ที่ทําให้เราเบื่อหน่นายค่ายจางสลดสังเวช อารมณ์ที่ทําให้เรามีรีมีโอทปะสังงวลสํารวมระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องจะเป็นศินห้าสินแปดสินอะไรก็แล้วแต่ให้เราทุกคนย้ายศึกษาได้ตามนี้ประพฤติาตามนี้ปฏิบัติตามนี้ที่จะเรียกว่า อ, กบบอ า, อาอยู่กับบทของธรรมในเมือ่ออเรายังอยู่กับบทของธรรมวิบากกรรมที่ตกหลึกลงมาก็เป็นวิบากของธรรมธรรมมันจะมีผลเพิ่มมีรายได้เพิ่ม เ, เพิ่มเติมคือเรื่องของธรรม แต่ถ้าเราไม่เจริญธรรมไม่พยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อกิเลสมันจะเอาจีบของเราไปใช้กิกลสแส้เข้ามาแส้เข้ามาพู้จเจ้าท่านจึงให้เราเจริญธรรมอยู่ทุกเรื่อทุกเวลาให้ต่อเนื่องไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาเพราะตัณหามันแทรกเข้ามาคือมันจะเอาจีบของเราไปใช้ถ้าที่จริงตัณหาในหัวใจของเราไม่ใช่อะไรอื่นไกลที่ไหนคือความเลวนิสัยใจของเราตั้งแต่ไหนใจไรมาเราสะสมัยไม่มีใครสร้างให้พ่อแม่สร้างให้เราไม่ได้ ไม่มีใครสร้างให้เราได้เพื่อนฝูงใครทําให้เราไม่ได้เราสังสมอุบรมมาเองความโลภเราสังสมมาเองความโกโรธเราสังสมมาเองกิจาริศยาพยาบาทตังหะราคะเราสังสมมาเองท่านให้ให้เราพยายามเจริญธรรมเพื่อให้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาแทรกเข้ามาในหัวใจของเราจนสิ่งวันี้แทรกเข้ามาไม่ได้แทรกเข้ามา ไ, มได้แล้วมันเริ่มอ่อนแรงไปอ่อนแรงไปอ่อนแรงไปจนหมดพลังหมดกาําลังหมดเรี่ยวแรงจิตก็ก้าวไปถึง คุณธรรมขัน้นไดขั้หนึ่งอยู่อยู่ถึงขัง้นขีดขั้นทฤษฎีว่าได้ปัญญาเต็มที่ได้ปัญญายาณจาิตเรตฐานสงบระนาบไปไม่กําเริบ เ, เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงตามหลักพรัชญาการสอนเอาไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามถึงตามกระตุ้นา ร, ร, ารปฏิบัติตามอย่าลืมว่าจะเป็นที่ใหม่ก็ตามปีเก่าก็ตามความสุขความเจริญมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราทั้งนั้นอ่า มันเกิดกึ้จากพฤติกรรมของเราเท่านั้นคุณเครูท่านสอนลนะเอียดนะนะคนอื่นจะพยายามยัดเยียดกรรมให้เราเท่าไหร่ถ้าเราไม่รับมาเราไม่ได้ที่ยังๆเขาดา่าท่านอะไรก็ตามแต่เราไม่ยอมรับได้ยืนก็สักคำว่าปล่อยหลุดไปหลุดไปหลุไปไม่เอามาถึงท่อดกรดรื่องกรรแค้นอะไรจะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ครับความความความโกรธอันนั้นความโลภ ก, ก็เช่นเดียวกันเห็นก็สักคำว่าเห็นไม่มีความต้องการไม้มีความยึดเข้ามา อารมณ์ทั้งหลายทั้งวกเหล่านั้นก็คือสัทธวสัมผัสแล้วก็ผ่านไปสักธวสัมผัสแล้วก็ผ่านไปแต่ด้วยเหตุที่เราอยากได้ต้องการเราพยายามยึดเข้ามามันไม่ได้สมใจรเรากทุกข์หรือไปทํานู่ไปทำนี่โดยเฉพา อ, อย่างยิ่งเรายกตัวอย่างอย่างู่มันก็ย่อยากถ้าเราไม่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่อศีลที่อย่ศีลห้าเนี่ยท่านให้ค่าสัตว์นอกจากไม่ให้ค่าสัตว์แล้วให้เราสำรํำรวจมาระวัาวางแล้วให้เรามีเมตตาต่อสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์แล้วให้เรามีสัมมาชีพ ให้เรามีสัมาชธิมาให้รักทรัพย์และให้เรามีสมาชธิอีกมาให้เราประพฤติในการแล้วให้เราประพฤติสันโดดโดยเฉพาะอย่างผู้ชายผู้หญิงยึดยึดมักน้อยสันโดดเฉพาะสามีภริยาของเราที่เรียว่าให้มักน้อยให้สันโดดในสามีภริยาของตนและพูดคําสั์คําซื่อให้พูดคำเช็ดแล้วก็ให้สวบรวมระหว่างในน้ําเมาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทรร สี่ห้าสาห้าถ้าเรายังจําได้ถ้าลืมไปจากหัวยใจก็ต้ดูดูด้วเห็นแล้วต้องต้องเอาไว้จำเอาไว้อนอกจากเราพัฒนาศินแล้วมันเป็นการพัฒนาพัฒนาศินกับพัฒนาตามไปในใจจะทําให้เรามีที่พึ่งมีที่ยึดมีที่ถือข้างในโดยเหตุที่เรามีพฤติกรรมที่ผิดสินที่ผิดธรรมทำให้เรามีความทุกข์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องไขครวนหมือย่างเราทำงานติดพลาด ต้องศึกษาดีสํารว์ให้ครอบครัวได้ดีพิจารณาแค่ไข้ไข้ครวนตรีกรองอะไรต่ออะไรสังเกตสังกาอะไรต่ออะไให้ดีไม่ให้มันผิดซ้าซากเรื่องของผิดก็คือผิดแล้วผิดอีผิดหน้วผิดีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองให้ตำรวจระมัดระวังอ่าเกิดการเดินเล่อผิดโน้นผิดนี้ผิดอะไรต่ออะไรถ้าถูกกระทบจากหมูแล้วกระทบจากเพื่อนแล้วอืถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบ ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันร้ อ, องแทนกันไม่อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งแตเราอยู่ในสังคมเดียวกันด้วยแล้วนี่ถ้าหากเราไม่หวังพึ่งกันต่างคนต่างจะเอาใจไป เ, เป็นคิดต่างเพราะฉะนั้นเราอยากอยากจะอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราต้องหวังพึ่งกันคนนี้ก็หวงังพึ่งคนนี้คนนี้ก็หวงังพึ่งคนนี้ลูกพี่ก็หวงังพึ่งลูกน้องลูกน้องก็หวังพึ่งลูกพี่ในเมื่อต่างคนต่งางหวังพึ่งกันนะนิสัยมันจะอ่อนน้อมเข้าหากันแต่ถ้าไม่หวังพึ่งกันนั้มันแข็งกระด้างเข้าหากันอันนี้เราก็นพี่จะนายด หลวงพ่อคำนี้หลวงพ่อมาสอนกี่ับทุกปีถ้าเราไม่หวังพึ่งกันแล้วมันจะแข่งก็ดางก้าหากันไม่ต้องอื่นไกลเราแค่สามีกับภริยาถ้าไม่หวังพึ่งกันมันจะปลากันขึ้นมาทันทีมันต่างคนต่างแบ่งก้ามก้าวหากลยทางคนต่างไม่หวังพึ่งกันเราเงินเดือนมากแล้วแล้วมันไม่หวังพึ่งก็ได้เลยนะแน่ในที่สุดมันไม่แสดงกิริยาก่อนน้อมก้าหากันเพราะไม่หวังพึ่งกันถ้าที่เราหวังพึ่งกันจะทําให้สังคมเราอยู่เย็นเป้นสุข มีผู้น้อยมีผู้ใหญ่มีผู้ฉลาดมีผู้โง่มีผู้อยากมีผู้อ่อนมีผู้ละเอียดก็อาลุ้มอันรวยก็อยู่ด้วยการยานอยู่เย็นเป็นสุขการหวังพึ่งแต่แการอะไรทำไมละ่ะในเมื่อระหวังพึ่งเขาเราก็ต้องอ่อนน้อมก็หาเขาเขาหวังพึ่งเราเขาต้องอ่อนน้อมก็หาเรามันไม่แข่งกันทางก็หากันนะไปพิจารณให้ดีคนที่แข่งกันทางก็หากันไม่หวังพึ่งกันแล้ว และอีกอย่างนึ่งก็คือเอาแต่รมณ์องต้องการให้คนอื่นงอไม่ต้องพูดพูดถึงอื่นไกลแค่สองคนสามีภรรยาลองไฟใดไฟหนึ่งให้เป็นอีกไฟหนึ่งงอเลี้ยแต่กันถึงเราวเราง้อเขาบ้างถึงคราเขาง้อเราออบ้างถึงเราเราง้อเขาบ้างจะบ้างเขาไม่คือตามใจบางที่เราพลาดครั้งบ้างเขาพูดมาตุเช๊ะอ่าไปเจ ถึงคราวถึงการถึงเวลาขอโทษขอใครขอขมาขอแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีเราลุ้มอุลอยู่ด้วยการนี้เราอยู่เย็นเป็นสุดนะทํางในงานก็เราจะก้าวหน้าแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็เป็นไปด้วยความเจริญเงาะเงยเจริญเงาะงามนะให้ความเป็นอยู่ของเราเจริญบริษัทก็เจริญขยายไปเรื่อยๆทําให้เราได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยแต่อย่างไรยพัฒนา จิตใจของเราให้เข้าสู่ศีลธรรมด้วยเพราะศีลธรรมมันเป็นเรื่องของบุญบุญเราไม่พัฒนาไม่ไม่ไ ม, ไม่พัฒนาบุญจะไม่เกิด น, นะพัฒนาบุญอย่างั้นทำบุญให้ทานมีเวลาตั้งใจรักษาศีลมีเวลาตั้งใจเภาหน้าใจระฆังว่าสงบมีเวลาเจอวิปัสสนาให้เกิดสติเกิดปัญญาสิ่งนี้เป็นบุญบุญที่จะหมุนจิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นนะมันเป็นผลงานระดับภพบระดับชาติ ตายุ๊บเราจะเกิดในสุคติในที่ดีเราจะเข้าอย่างยิ่งเฮติออตปาเนี่ยให้เราพยายามมีเอาไว้พยายามรื่อพยายามตัวเฮรีความละอายดูไปเวลาความตายมันเกิดขึ้นหัวใจของเราจะมีอะไรเป็นยังไงดูให้เห็นโอ้นี่คือความเฮรีออตปาทําจนเป็นนิสัยทําจนเป็นจริตทป็ทนเป็นนิสัยใครสามารถทํำได้มีเ ฮ, ฮรีนิออตปาคาว่าโอตปาคือกลัวผลกลัวผล ชัวกลัวผลทุกที่ตามมาเล่นงานกันงอ่าีความอายก่ใจโอ้แต่ปับความเรีนกลัวกลัวผลทุกอายใจใจตัวเองนะไม่ใช่มบอายแค่นู่นเพราคนทั้งหมดแล้วไม่กล้าทําแต่ไปอยู่ในห้องคนเดียวกล้าทำกิกรรมที่ไม่ดีอันนี้ถือว่าไม่มีความละอายความอายละอายกลัวผิดอยู่คนเดียวว่ากลัวผิดอยู่กับบูอยู่กบับสังคมก็กลัวผิดหรือเราพูดถึงความชื่อสัตด์ความทุจริตอยู่คนเดียวก็กลัวผิด อยู่ท่อหน้าผมเพื่อนก็กลัวผิดก็ทำอะไรเพื่อจะให้เกิดขาดจากการความซื่อสัตย์สุดจ ก, กลียดไม่กล้าไม่กล้าทํามีความละอายอยู่ในใจกลัวโทษทั้งหลายทั้งปวงตามมาแต่บางคนไม่กลัวนะเราดูพวกที่เขาต้องผิดกฎหมายปรับไหมใส่โทษอะไรกอะไรเขาไม่กลัวือเขาคุกเขาไม่กลัวตอนที่คอยชนะคอยชนะคอให้สะใจคอให้สะใ จ, ใจเขาไม่กลัวที่กฎหมายผิด การอะไรเข้าคู่กับตังเขาก็ไม่ตลัวเอ้ในที่สุดความทุกข์ก็เล่นงานเลิไมได้อะไรมันได้อะไรมันไม่ได้ไร้ายมันได้แต่ความทุกข์ jal. มันมีเรื่องที่จะศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดูไปศึกษาไปตั้งใจถือตามพฤติกรรมปฏิบัติการปฏิบัติงานก็ให้งานมีความก้าวหน้าตั้งต่รักษาศีลพฤทิธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้เป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานกับจิตใจของเรา อย่างนั้นเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของผู้ตั้งตนไว้ชอบประกอบไปด้วยบุญที่เรียกว่าปุกเปย์ตักคุณลตตาตั้งตนไว้ชอบอัตตะสมาปณิธิเอตัมมังคลมตมังเกิดความสุขเกิดความเจริญเป็นสิริเป็นอุดมมงคลหมดแรงพอสอุ่งทนใเวลาทองทอมันเต็มใช้ลมไป ไอคอนไอคอนให้คอนแล้วเดี๋ยวรวมน้งหมนอิติตังปฏิตางตุมหังกิปรมเมวะสมิจฉาตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธถามณิโจเิระโสยะถา สัพพิธโยวิวัตชันดูสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายโกภวะอภิวาทนะสีริสโวมิจามุธาปิจายโนโจัตตารโอธรรมะวัฒนเดียยวนโนสุขาขารั ง, งัยันโตขอทียม ยมังคาเลอาบาลานจิตปลังเสิเสวิปปะเอาพิเศกสัพะปุตตานังอาตาโตภโมตเทสนักัตตงสุมังคลั โสโหติตังสุขานสโมตโตจะสเยทังพระมจาริสปักติงกายกรรมังวาจกรรมังปักตินังปัตตินางันกรรมังปนิพเตปัตตินาปัตตินานิกัตตวานลพันัาเทม ปาทักเนอาาอยู่เย็นไปสด